เอาน่ายอย่าซีเรียกเรื่องสวรรค์นรกมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งถามพระอาจารย์ว่า ข้าพเจ้าฝึกปฏิบัติธรรมมาก็หลายปีแต่ยังไม่รู้แจ้งโดยเฉพาะในคาพีที่พูดถึงเรื่องของนรกและสวรรค์นอกจากโลกมนุษย์แล้วที่ไหนยังมีนรกและสวรรค์อยู่อีกหรือพระอาจารย์ไม่ตอบคำถามแต่ให้ไปหิ้วน้ำจากลำธารมาหนึ่งถังเมื่อหิ้วน้ำมาแล้วพระอาจารย์สั่งให้เพ่งดูน้านในถัง เพื่อจะได้เห็นสภาพในสวรรค์ลและนรกลูกศิษย์รู้สึกแปลกใจแต่ก็รีบเพ่งมองน้ําในถังเพ่งไปสักพักก็ไม่เห็นอะไรพระอาจารย์เลยกดหัวลงไปในถังนั้นลูกศิษย์หายใจไม่ออกวอยวายดิ้นรนไปมาขณะที่กําลังจะหายใจไม่ออกพระอาจารย์ปล่อยมือลูกศิษย์กระหืดกระหอบ ต่อว่าพระอาจารย์ว่าท่านหยาบขายจริงๆกดข้าพเจ้าลงไปในน้ำรู้ไหมว่าเจ็บปวดเหมือนกับอยู่ในนรกพระอาจารย์พูดเสียงเนิบๆตอไปว่าแล้วตอนนี้รู้สึกอย่างไรตอนนี้รู้สึกหายใจสะดวกเหมือนกับอยู่บนสวรรค์ลูกศิษย์ตอบ เหตุการณ์เมื่อกี้เจ้าก็ท่องนรกแล้วก็ไปที่สวรรค์มาแล้วตอนนี้เชื่อหรื อ, อยังว่านรกสวรรค์มีอยู่จริง